เคยลวงให้รักวันหนึ่งก็ต้องเจอรักลวงเป็นธรรมดาการลวงให้เข้ามารักมาหลงโดยที่เจตนาไม่ได้ชอบข็จริงเป็นกรรมที่จัดเข้าหมวดมุสาวาดเป็นการไปล่อลวงด้วยราคะจิตเป็นอกุศลสองชั้นคือมีความปาักใจแน่วเข้าไปในเรื่องของราคะและเป็นความพิศวาสในแบบล่อลวงให้หลง หรือบางทีมันมีความเคยชินแบบหนึ่งของชายหนุ่มหญิงสาวที่มีหน้าตาดีที่สเสน่ห์แรงรู้ตัวว่าเป็นที่รักที่หลงของใครง่ายๆบางทีไปชายหูชายตาทำให้คนเขาเข้าใจผิดนึกว่ามาชอบคนโกหกเก่งพูดไม่จริงได้ตลอดเวลาจะโชคร้ายทางความรักคือจะใจง่ายพบรักง่ายแต่ครองรักยาก ผลที่สามารถลวงใครต่อใครให้มาหลงตัวเองได้มากๆผลที่จะได้รับชัดๆในปัจจุบันก็คือจิตใจมีการยึดมั่นถือมั่นสูงมากจิตหมกมุ่นฟุ้งซ่านเกี่ยวกับเรื่องของการล่อให้หลงลวงให้ยึดเจอใครถูกใจหน่อยก็จะอ่อนไหวหลงยึดลงยึดยึดยึดเข้าไปหลอกตัวเองว่าใช่แล้วพูดยังไงก็ได้ให้เขามาชอบแล้วก็คิดฟุ้งซ่านไม่หยุด และในภายภาคหน้าโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งหากเกิดชาติใหม่จะยิ่งชัดจะเป็นคนที่ถูกหลอกลวงโดยตลอดโดนหลอกให้หลงหลอกให้รักโดนหลอกใช้บ้างโดนหลอกให้เข้าไปพัวพันกับความยึดหลงผิดๆบ้างแล้วก็ถูกทิ้งไปเรียกว่าทั้งชาติดินเม่หลุดพราะกรงกรรมมัดไว้แน่นคบใครถ้าจับได้ว่าโกหกเป็นไฟ คุณคงไม่เชื่อว่าจะอยู่กันได้ตลอดไปและเช่นกันถ้ารู้ตัวว่าชอบโกหกเป็นชีวิตจิตใจก็อย่าหวังจะรู้จักรักแท้ชั่วนิรันดร์เพราะความรักกับคำโกหกไม่เคยยอมลงเรือลำเดียวกัน